ที่มาฟอนรำหน้าเทวสถานนั่นเป็นใครอุบาสกหญิงนะักฟอนประจําเทวสถานฟ้อนดรำทําไมบูชาเทวาลูกสวยไม่ละทันสมณนะริลานาชมะทีเดียวเอานั่นนั่นทันสมณะจะไปไหนลนะ่ะอาตมาจะกลับไม่ดูการได้รําก่อนเหรอไม่ล่ะอาตมาไม่อยากดูแปของอสวยๆ ง, งามๆไม่อยา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 แรมานดาบังเกิดกล่าออกบวชเป็นภิกษุณีดันดลตามไปจนพบท่านที่พระเวรุวานารามแต่ในชาติอันเต็มไปด้วยความเจ้านั้นท่านได้ตอบแทนความรักความบูชาอันสูงต่งของเธอโดยความเฉยเมยและกระแทกแบกดันแล้วผลเป็นอย่างไงเธอก็ลมเจ็บต่อมาละเธอถึงแก่ความตายแต่ความรักของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลง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 หัวใจใ น, น้อยอันน่าสงสารของเธอก็ถูกใครยี่ย่างทารุณด้วยน้ำมือของคนรักเป็นครั้งที่สองอยางนี้แล้วท่านยังไม่สงสารอัตมาสงสารยนจับใจขอให้เชื่ออัตมาเถอะแล้วน้ำตาของท่านไหลเ อ, อ่ออกมาเต็มเบาอัตมาไม่รู้ตัวเลยลีลาวดีฉันจะไปพบเธอ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 ก็ามาบินขบาตในกรุงพาราณสีแต่เชา้าเดินไปนตามถนนหน้าประสาทเมติยาเศรษฐีซึ่งมาดูราดเล่าวไว้แล้ววันก่อนเท่าที่รู้มาตระกูลของท่านเมติยาเศรษฐีเป็นตระกูลสัมมาทิฐิศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครางพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ในป่าอิสิปัตตนะมฤคขายวัน เมื่อเกือบสี่สิบปีมาแล้วยังไงเสียท่านจะต้องใส่บาตรแก่พระภิกษุแน่นั้นยังไงมีคนมาใส่บาตรหน้าประสาทผู้ที่ใส่บาตรเห็นจะเป็นนางทาสี นี่แปลกใส่บาตรให้แล้วจะไม่ยอมไปยิ่งๆืนเฉยอยู่อีกใครจะขอรับเป็นครั้งที่สองเมื่อต้องการก็จะตักให้อีกอ้าวเอามือปิดบาตรซะแล้วดูก่อนน้องหญิงอาตมาเป็นภิกษุต่างถิ่นเพิ่มมาถึงพระนครนี้เป็นครั้งแรกอาตมาอยากจะทราบอะไรสรักอย่างท่านอยากทราบจะเข้าพระเจ้าน่ะเหรอถูกแล้ว น้องหญิงพอจะบอกอาตมาได้ไหมท่านต้องการอยากทราบอะไรล่ะเจ้าของบ้านหลังนี้มีนามว่าอะไรเจ้าของบ้านหลังนี้น่ะเหละท่านชื่อเมตียเสรษฐีอย่าหาว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยอาตมาอยากทราบต่อไปว่าท่านเศรษฐีมีบุตรหรือธิดาบ้างหรือไม่มีบุตรหรือธิดาธิดาท่านมีธิดาอยู่คนเดียวชื่ออะไรรัตปานี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 แต่ถ้าลีลาวดีเกิดไม่กลับกรุงคาราณสีเดินทางต่อไปยังกรุงราชครืล้ล่ะจะทํายังไงท่านผู้เจริญมีอะไรกับที่ดาท่านเศรษฐีมีเรื่องที่จะสนทนาด้วยนิดหน่อยน้องหญิงรู้ไม่ว่าลิลาวดีเดินทางไปกรุงรัชครื้เพื่อประสงค์อะไรเธอบอกว่าจะไปพบคนรักในชาติก่อนมีด้วยละ่ะคนในชาติก่อนข้าพระเจ้าก็ไม่เคยเห็น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 ลีลาวดีจะมีโอกาสได้พบคนรักของเธอไหมท่านผู้เจริญพระเรวัตาจากกรุงราชครื้ไปแล้วถ้าอย่างนั้นนายหญิงของข้าพเจ้าก็พลาดกับคนรักนะสิพลาดแน่นอนแต่จะอย่างไรก็ตามนายหญิงของข้าพเจ้าจะต้องตามหาจนพบมั่นใจถึงขนาดนั้นเชียวหรือข้าพเจ้ามั่นใจมีอะไรที่ทําให้มั่นใจเพราะนายหญิงข้าพเจ้ามีใจมั่นคง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 มานกลับมาแล้วได้อาหารมาไหมได้อาหารพ อ, อยังชีพสําหรับวันนี้ท่านจะไปไหนต่อตอนนี้ยังไม่ไปไหนจะทําพัฒกิจใต้ต้นไทรนี้รู้สึกว่าตอนเช้าอย่างนี้มีผู้คนมาสักการะบูชาเทวรูปกันมากถูกแล้วท่านสมณนะมากซะกว่าตอนเย็นกรุงพารณาณสีในฤดูนี้ผู้คนพุกพล่านมากกว่าฤดูอื่น ก็ดูแรงนี่น่ะเ ห, หรือดูแรงนี่แหละผู้คนจากภาคต่างๆของชมพูทวีปเดินทางมาอาบน้ำร่างบาปในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์เชินท่นทานเคยทำพัฒกิจท่านท่านสมณนะ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 เพื่อนของเทพเจ้าคนนี้ชื่อนิมมาลาเราเป็นเทวทาสีฟ้อนรำถวายเทพเจ้าประจำอยู่ที่เทวสถานนี้มีธุระอะไรล่ะคือว่า อ, อืมมีอะไรก็พูดไปเถอะเธอพูดสินิมมาลาเธอพูดเถอะสตีลีนี้ไห่เธอเคพูดมาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเธอพูดเก่งพูดดีกว่าอย่าโมเกียรกันเลยพูดเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญ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 อยากจะมาสนทนาด้วยท่านั้นเองอย่างนั้นเด้อตามปกติพระพิสุมันจะท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามนิคมชนบทต่างๆได้รู้ได้เห็นม า, มากก็เลยคิดว่าบางทีการสนทนากับพระพิสุทำใหได้ยินได้ฟังเรื่องปแปลกแปลกใหม่ๆเป็นความคิดที่ดีอตาามาเองก็เคยเดินทางท่องเที่ยวมาหลายบ้านหลายเมืองได้รู้เห็นอะไรต่างๆมากมายพอดู ท่านพอจะเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมได้สิอยากรู้สิ่งใดโดยเฉพเาะก็ถามได้ถามสิสุขินีเธอถามก็แล้วกันนิมลาเธอนั่แหละดีแล้วเธอดีกว่าเธอเธอเธอนั่นแหละเกียรไปอยู่นั่นแหละควา ม, วามจริงก็งเป็นเรื่องธรรมดาหญิงสาววัยรุ่นย่อมมีความอายเป็นเจ้าเรือนไมก่กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้า ทางทาที่แย่งกันพูดไม่อยู่ระหว่างพวกเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายชนพูดซะก่อ น, อ ก, นก็จะเป็นการสมควรไม่น้อยทีเดียวเธ อ, าาอซีเธอถามสิพิเธอนั่นล่ละกูเธอนั่นแหละเผ<อ> า, าละเอานะสิอย่าโต้เถียงกันเลยอัตมาอยากถามอะไรสักหน่อยท่านผู้เจริญจะถามอะไร น้องหญิงได้เป็นเทวทาศีฟ้อนรำประจาเทวสถานแห่งนี้มานานแล้วเหรอบอกท่านสมณาสีนิมลาเธอก็บอกพีซี่สุดที่นี้พระอิยต้องมาเกี่ยงราด้วยเธอบอกเธอก็ได้ถูกแล้วท่านสมณนะท่านเข้าใจถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นทาสีมาตั้งแต่เด็กๆทีเดียวพ่อแม่นามามอบให้เทวสถานตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุเจ็ดปีจนกระทั่งบัดนี้ ทำไมพ่อแม่ถึงนํามาบออให้เทวสถานล่ะแรกทีเดียวข้าพเจ้าก็ายังไม่ทราบแต่ว่าต่อขึ้นมีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อแม่ข้าพเจ้าเริ่มตั้งครันขึ้นมา น, นั้นทั้งพ่อและแม่ปรารถนาจะให้บุตรในคันเป็นชายเพร่อชาวเมืองพระดันศรีต่างปรารถนาบุตรชายไว้สืบสุดกุลและเพื่อบุตรชายช่วยพ้นจากขุมนรกพ่อแม่ข้าพเจ้า จึงได้มาบนบานต่อเทพเจ้าที่เทวสถานแห่งนี้เพื่อขอให้ได้บุตรชายท่านบ่นบานไว้ว่าบนไม่ว่ายังไงถ้ได้บุตรชายมีลักษณะงามพร้อมและบุดคนต่อไปเป็นหญิงท่านจวายเป็นนางเทวทาสีประจําเทวสถานดากฏว่าบุตรคนแรกคลอดออกมาเป็นชายจริงๆและบุดคนที่สองเป็นหญิงก็คือข้าพระเจ้าที่เอง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 นอกจากร้องรําทําเพลงไปวันวันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ว่าโตขึ้นมีความคิดข้าพเจ้าก็ อ, าอะไรเหรอข้าพเจ้าเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตอันปราศจากหลักแหล่งแบบนี้ปราศจากหลักแหล่งยังไงเนื่องว่ามีไรายได้เลี้ยงตนอย่างเพียงพอจากเทวสถานไม่ใช่เลยท่านผู้เจริญเข้าใจผิดเสียแล้ว อาจจะมาเข้าใจผิดอะไรรายได้ที่เทวสถานแบ่งให้เป็นประจำนั้นไม่เพียงพอหรอกรายได้ไม่เพียงพอเลยน้องหญิงไม่เพียงพอแน่นอนอา้าวไม่เพียงพอแล้วทํำยังไงข้าพระเจ้าต้องหารายได้ทางอื่นมาจูงเจอจึงพออย่างที่ไปได้ไม่อย่างนั้นก็คงอดตายแน่ๆ น้องหญิงมีวิธีหารายได้พิเศษยังไงคราวนี้เป็นหน้าที่ของเธอบ้างละ่ะดีๆในไหนเธอก็บอกท่านผู้เจริญมาถึงเพียงนี้แล้วก็บอกให้ตลอดไปไม่ได้ด้วยยังไงไม่กล้าบอกตรงๆว่ากระดาษปากได้แล้วล่ะไม่กระจากปากเหรอพูดต่อไปสินาเธอเนี่ยเอาเปรียบซะจริงเลยก็ได้เธอนะจะบอกท่านสมณะเองเอะ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 ว่ไงล่ะสุดที่นี้จะบอกดีไหมเธอเห็นว่าควรบอกไม่ล่ะเราถามเธอนะสุดที่นี้เธอคุณจะเป็นฝ่ายบอกดีไหนๆก็พูดมาถึงเพียงแค่นี้นี่แหละบอกไปเถอะเป็นเรื่องลับก็ไม่ต้องฝืนใจหรอกนะไม่จําเป็นอาตมาจะต้องรู้ก็ได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกคือใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นแล้วเข า, าเพเยงแ่จะบอกทัานก็ได้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 เราจะให้งงให้อะไรเหรอให้การบังเริดชาติที่ให้ข้าเจา้าท่าถึงกับตกตลึงใช่เหรออาตมาไม่นึ ก, กว่าจะได้ยินคนํานี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงท่านผู้เจริญไม่น่าเชื่อเลยท่านรู้สึกยังไง ที่พวกเราทํำอย่างนี้่เป็นการกระทําที่เลวทรามมากแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนหรอกนะท่านแล้วแต่ความสมัครใจของใครแล้วเธอล่ะสุดที่นี้เธออยู่ในจําพวกไหนข้าพเจ้าไม่เคยหารายได้พิเศษแบบนั้นกับเพื่อนเพราะข้าพเจ้าเพิ่งมาสมัครเป็นเทวทาสีเมื่อสองเดือนกว่ามานี้เองสุดที่นี้ไม่ใช่คนเมืองพราณาสีหรอกท่านเธอเป็นคนเมืองไหน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 ทำไมเนาะในระยะวันสองวันที่ผ่านมานี้จึงได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของคนหมดมอบกายถวายชีวิตให้กับความรักจริงมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของผู้ถีปีศาตนใดตั้งใจจะสอนให้เห็นคุณค่าของความรักท่านผู้เจริญนิ่งอึ้งไม่ทราบว่าคล้อใจอะไรอยู่น้องหญิงกําลังตามหาคนรัก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 และเพื่อสืบดูว่าเขาจะผ่านมาแถวนี้หรือไม่ถ้าไม่พบเขาล่ะน้องหญิงจะทําประการใดข้าพเจ้าก็จะออกเดินทางต่อไปเพื่อค้อนหาเขาแล้วนิคิดว่าจะมีหวังได้พบไหมสุดที่นี่คิดว่าไม่มีหวังมากกว่าเพราะอะไรเขาคงไม่เดินทางผ่านมาทางนี้แน่แล้วเมื่อแน่ใจอย่างนี้น้องหญิงจะทําประการใดข้าพเจ้าตั้งใจจะไปจากที่นี่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 ไปเลย่ลานเลยนิ่งเสียเถอะเขาจากหลานไปแล้วเขาไม่สนใจใหญ่ดีหลานเลยสักนิดเดียวที่เขาไม่สนใจใหญ่ดีหลานลุงคิดว่าอะไรเนี่ยเจ้าลุงลุงคิดอะไรลุงคิดว่าพระภิกษุรูปนั้ น, น